บันดิตย่อมฝึกตนพระพุทธภาสิทธ์คนไขน้ำย่อมไข่น้ำแดงเล็บเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บันดิตท้งายย่อมฝึกตนอุดกันหิณายันติเนติกาอุสุการานามายันติเตชนังทารุงนมยันติตัชากา อตานังธรรมยันติปัณฑิตาอธิบายความธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดใช้เครื่องมือบางอย่างไขยน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้สูงขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตนส่วนช่างสอน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 ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบุคคลทำสิ่งใดก็ไม่พึงมีโทษเพราะสิ่งแวดล้อมบ้างพันธุกรรมบ้างบังคับให้ทาแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อโทษทุกอันใดเกิดขึ้นเป็นผลอันตามเหตุมาโทษทุกอันนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กระทาหาตกอยู่แก่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรมีความรู้สึกรับผิด ช, ชอบต่อการกระทาของตนไม่โยนความผิด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 พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในหมู่มนุษย์ดดวยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดดันโตเซโทมนุษย์เสสุเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกฝนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นปหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงเพงดูตัวอย่างเรื่องบัณฑิตสามนเณรดังตอไปนี้ในอดีตการสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สปะพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมื่นเป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพาราณสีชาวเมืองกําหนดกําลังของตนแล้วชวนกันถวายฐานตามกําลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จภัตกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่ า, วาคนบางคนทําบุญเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทํา แต่ไม่ทำเองเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพสมบัติบางคนไม่ทำเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ทั้งทรัพสมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทําเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทั้งทรัพสมบัติและบริวารสมบัติขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุโมทนาแล้วคิดว่า เราจะทําบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านองค์การภิกษุเท่าไรพระศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไรพระเจ้าค่ามีสองหมื่นรูปถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอนิมนต์ทั้งหมดเมื่อพระศาสดาส่งรับนิมนต์แล้ว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 บางคนห้าร้อยรูปบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจำนวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครหมดในกรุงพาระณสีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกขตะแปลว่ายากจนมากบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้พบชายเข็นใจคือมหาทุกตะนั้นแล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ ชักชวนให้มหาทุกตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและพัญญาก็แสนยากลําบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าสารศักดิ์นาหนึ่งที่จะหุงต้มกินในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทํางานจ้างรับจ้างเลี้ยงชีพด้วยความฝืดเคืองบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ได้หยุดนิ่งเลยพูดวาล้อมต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริภโภคโภชนะอย่างดีนุ่งผุมผ้าเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาพรต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง่างามเพราะเขาได้ทําบุญไว้ในการก่อนส่วนสหายทา ง, งานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงสักว่าให้เต็มท้องทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ทําบุญไว้ในการก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ควรประมาทรีบโขนขวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถ ทำตามสติกำลังของท่านเมื่อได้ฟังอย่างนี้มหาทุกตาก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบัญชีพิสุรูปหนึ่งสําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทํางานจ้างได้ของมาทําบุญพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่าเป็นพิกสูจํานว น, น้อยเพียงรูปเดียวจึงไม่ได้จดลงในบัญชีฝ่ายมหาทุกตะกลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้ปัญญาทราบปัญญาของเขาเป็นคนดี มีความเห็นชอบกับการกระทำชอบของสามีพรอยินดีร่าเริงด้วยกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเราไมิได้ทำบุญไว้ด้วยดีเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทำงานเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งเขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีของงานทำได้จังหวะเหมาะเศรษฐีรับเปลี้ยงพระสงสามร้อยในวันรุ่งขึ้นจึงให้มหาทุกคาพาฟืนสำหรับผงต้มเขาทกขเขมนิน ทำท่าทางธรรมะแมงทำงานด้วยความร่าเริงและมีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเหตุไรจึงร่าเริงผิด ก, กว่าวันก่อนๆเขาเล่าเรื่องที่รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใสนับถือในจิตใจของเขาว่าเขาทําสิ่งที่ทําได้ยากไม่ได้เฉยเมยว่ายากจนอุตสาห์ทํางานจ้างด้วยเรียบแรงกําลังทั้งหมด เือจะได้มีส่วนเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งฝ่ายพัญญาของมหาทุกตะเข้าไปหาพัญญาเศรษฐีขอทำงานจ้างพัญญาเศรษฐีได้ให้ตำข้าวในโรงกระเดื่องนางมีความยินดีร่าเริงตำข้าวและฝัดข้าวเสมือนหนึ่งว่ารำละครพัญญาเศรษฐีเห็นดังนั้นประหลาดใจจึงถามทราบความแล้วเลื่อมใสว่า พัญญาของมหาทุกตะทำสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อมหาทุกตะผ่าเฟืนเสร็จเศถีได้สั่งให้ให้ข้าวสาลีแก่เขาสี่นานเป็นค่าจ้างและอีกสี่นานให้ด้วยความพอใจในตัวเขาฝ่ายพัญญาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยสาสขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสาลีนหนึ่งนานสองสามีพัญญาดีใจว่า ได้ไทยธรรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่พันยาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปริมแม่น้ำมีใจยินดีร่าเริงว่าจากได้ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอ น, นัน์ไว้ได้จึงร้องเพลงพลางเก็บผักพลางชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแหอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงมหาทุกตะจาได้จึงถามว่าไหนจึงร่าเริงนกะมหาทุกตะเล่าให้ฟัง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 เขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดแล้วจึงขุดเอาปลาตะเพียนสี่ตัวซึ่งหมกสายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มหาทุกตะไปช้า ว, วันนั้นพระบรมศ า, ศาสดาทรงตรวดูอุปนิสัยของเวนายสัตมหาทุกตะเข้าไปในขายแห่งพระยานของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงนำฤิกว่าวันนี้มหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุใดๆเลย เพระเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจำนวนภิกษุที่เขาต้องการเว้นเราเสร็จแล้วมหาทุกตะจะไม่มีที่พึ่งเราควรสงเคราะห์เขาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระทัยในการสงเคราะห์คนยากจนดังนั้นเมื่อทรงกระทําราศรทกิจแต่เช้าตรู่แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีประทับนั่งทรงตั้งพระทัยว่าจากสงเคราะหาา์มหาทุกตะมหาทุกตะ นำปลาตะเพียนมาสู่เรือนแล้วหมออไผ่พัญญาทำกับข้าวในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วยมหาทุกตะรีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตที่ชักชวนเขาให้ทำบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไว้เขาพยายามขอโทษมหาทุกตะแต่ไม่สามารถระ ง, งับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้ เขารู้สึกเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขนร่ําไห้ว่าเหตุไรท่านจึงทําผมให้ต้องพิบัติขาดขล้องถึงขนาดนี้ท่านช่วยเข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสะรูปหนึ่งข้าไเจ้ารับแล้วเมื่อวานเข้าพเจ้าและพัญญาออกทํางานจ้างทั้งวันเพื่อได้ใ่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่เข้าไเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมาหาทุกตะแล้วสงสาร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 คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงล้างพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีพระราชาพระยุพราชและคนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นเฝ้ารอรับปาดของพระองค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระทัยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้า่า ขอพระองค์จงทาการสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้เถิดดูก่อนสหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญท่านจากได้พระาศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอนมหาทุกตะรีบมุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพระยุพ ร, ราชเป็นต้นเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกตะเข้ามาทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาอาหารออกไปเถิดที่ตราเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนศ เห็นเขาเป็นคนกินเดนคือวิคาสาทะอยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกตะจึงทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเพื่อต้องการอาหารแต่มาเพื่อต้องการทูลพระาศาสดาเพื่อสวยที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วได้มอบลงที่ธรณีพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจามฆะประดิษฐ์และกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ในพระนครนี้ขึ้นชื่อว่าผู้ยากจน กว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์และทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุลีทรงประทานบาดแก่เขามหาทุกตาปราปลื้มเสมือนได้บรรลุจกักรพรรดิสิริพระเจ้าแผ่นดินและพระจุพราชเป็นต้นทรงมองพระพักกันอย่างพิศวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็าตาม ย่อมไม่กล้าแย่งบาด ท, ที่พระศาสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นพระราชาเป็นต้นจึงไม่กล้าแตะต้องบาดในมือของมหาทุกตะแต่แต่อ้อนวอนขอซื้อบาดว่ามหาทุกตะท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาดของพระศาสดาทําไมจงให้บาดแก่เราเถิดเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแก่ท่านแต่มหาทุกตะปฏิเสธเขาบอกว่า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 ในการทำอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอเปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยทรงได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อนพระองค์ได้กราบทูลพระาศาสดาตางความเป็นจริงว่าพระองค์เสด็จตามมาพระเหตุใดแล้วเสด็จกลับสู่พระราชมังเทียนเมื่อพระาศาสดาสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วมหาทุกตะทร ง, งเสด็จพระาศาสดา เท้าสักเทวราชในวงเล็บซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บรรดาให้ฝนแก้วเจ็ดประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกษษัะเขาได้ไม่เห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนฉชนั้นก็ปราบลืมว่าบุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทันตายเห็นทีเดียวเขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นำเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทาเช่นนั้นแล้ว ตั้งข่าวไว้ในตำแหน่งเศรษฐีเศรษฐีนั้นทาบุญมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพผสมบัติอยู่พุทธันดรหนึ่งมาถึงพุทธบทตรการนี้คือสมัยแห่งพระโคตมะพุทธนี้บังเกิดในท้องธิดาคนโตของสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีนางแพ้ทอ้องยาถวายอาหารพระสักห้าร้อยรูป ด้วยปลาตะเพียนแล้วนุ่งผมผ้ากาสายะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดรนของภิกษุพวกญาติได้จัดให้เธอทำอย่างประสงค์อาการแพ้ท้องระงับลงนางให้ลูกชื่อบันดิกเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้นอยู่ในท้องจนคลอดคนโง่เงอะ ง, งะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาดนางคิดว่าจยากไม่ทำลายอัธยาสายของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไร หากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตามเมื่อบุตรอายุได้เจ็ดขวบก็ขอบุดในสำนักของพระสารีบุตรเถระแม้พระเถระจะอธิบายเชพเพียงใดว่าการบุดเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้จะพยายามทำตามโอวาลของพระเถระพระเถระจึงให้บวชเป็นสามเณรมารดาบิดาของสามเณรก็ไปอยู่ในวัดทั้งเจ็ดวัน ถวายทานแกภิกษุสูงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกเป็นวันที่เจ็ดจึงกลับเฟื่อนเช้าวันที่แปดพระเถระพาสามเณรไปบิณฑบาตในบ้านในระหว่างทางสามเณรเห็นเหมืองจึงถามอุปชาว่านี่อะไรเหมืองสามเณรพระเถระตอบเขามีไว้ทำอะไรสามเณรถามเขาไขน้ำจากเหมืองนี้ไปหานาข้าวกล่าเมื่อนาขาดน้า น้ำมีจิตไหมครับไม่มีสามเณรคิดว่าเมื่อน้ำเป็นของไม่มีจิตแต่คนทั้งหลายยังขไปทำประโยชน์ตามปรารถนาได้ก็ฉไหนเล่าคนซึ่งมีจิตจึงไม่อาจฝุกจิตของตนให้ดีคนต้องสามารถฝึกจิตของตนให้ดีได้สามเณรเดินต่อไปได้เห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนลนไฟเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงถามอุปชาว่า ลูกศรมีจิตหรือไม่เมื่ออุปชาตอบว่าไม่มีเธอจึงคิดโดยในก่อนเดินต่อมาอีกเห็นช่างถากถากไม้ทํารอกเวียนเป็นต้นอยู่เธอถามพระอุปชาและคิดโดยในก่อนสามเณรบัณฑิตมีความคิดอันลึกซึ้งด้วยการเห็นสิ่งต่างๆเพียงเท่านี้เธอน้อมนําเข้ามาปรารตนว่าเมื่อช่างสอนดัดลูกศรได้ช่างไม้ถากไม้ให้เป็นไปตามต้องการได้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 เพื่อสามเณรจักได้เข้าไปนั่งในห้องสามเณรกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างความรู้ลงในการาชกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่พระเถระรับภาระของสามเณรแล้วคิดว่าทำอย่างไรหน่อยจึงจะได้อาหารคือปลาตะเพียนท่านตัดสินใจไปสู่เรือนของอุปถาคนหนึ่งซึ่งเคารพเพื่อสายในท่านมากพอดีวันนั้นอุปถาได้ปลาตะเพียนมาหลายตัว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 อุปถากได้ถวายอาหารเจือด้วยปลาทะเพียนอีกจนเต็มบาทพระเถระรีบกลับมาด้วยเป็นห่วงสามเณรฝ่ายสามเณรนั่งบำเพ็ญสมณะธรรมอยู่ได้บรรลุผลสามคือโสดาปติพลสกทาคามิพลและอนาคามิพลวันนั้นพระศาสดาของเราทรงพิจารณาเห็นเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับสามเณรแล้วทรงดรฤกว่าบัดนี้สามเณรบัณฑิต ได้บรรลุอนาคามีผลแล้วและอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของเธอมีอยู่หากเราไม่ไปช่วยพระสารีบุตรจะนำอาหารมาทำลายสมณธรรมของสามเณรเสียดังนี้แล้วสเสด็จไปดักพระสารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อชะลอเวลาเมื่อพระสารีบุตรมาถึงพระศาสนาตรัสถามปัญหาสี่ข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าอาหารย่อม ah. นามาซึ่งอะไรนาเวทนามาพระเจ้าค่ะ เวทนานา ม, มาซึ่งอะไรนมรูปมาพระเจ้าขา่ารูปนา ม, มาซึ่งอะไรนานภาษามาพระเจ้าขา่ามีคำอธิบายโดยย่อดังนี้เมื่อบุคคลหิวบริโภคอาหารบาบัดความหิวแล้วสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นวันนสมบัติย่อมมีในสรีระคือทำให้รูปเปล่งตังมีนวลต่อจากนั้นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตาม ย่อมได้สุขสัมผัสขณะที่พระศารีบุตรแกร้ปัญหาพระศาสดาอยู่นี้สามเณรได้บรรลุพระอรหันตผลพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระเถระนําอาหารไปให้สามเณรพระเถระไปครอบประตูสามเณรออกมารับบาตวางไว้แล้วเอาพัดก้ามตาลพับพระเถระเมื่อพระเถระบอกให้ฉันจึงฉัน เด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วบรรลุพระอาหารหันตผลในวันที่แปดกระหนิงดอกประทุมอัแย้มบานแล้วด้วยประการชนีบ่ายวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องสามเณรบัณฑิตพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตย่อมเป็นอย่างนี้คือเห็นคนขายน้ำจากเหมืองช่างสอนดัดลูกสอนเป็นต้นแล้ว ย่อมน้อมนำเข้ามาในตนและฝึกตนย่อมสามารถบรรลุอรหัตผลได้โดยพลันดังนี้แล้วตรัสทพุทธภาสิกษษษษษว่าคุดกันหิณายันติเนติกาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนนามมาแล้วแต่ตน